อานาปานสติสูตรว่าด้วยวิธีเจริญอานาปานสติ144ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิคาลมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยสาวกผู้เป็นเถระมีชื่อเสียงหลายรูปด้วยกันคือท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคลานะ ท่านพระมหากัสปะท่านพระมหากัจยนะท่านพระมหากติตาท่านพระมหากัปปินะท่านพระมหาจุนทะท่านพระอนุรุทธะท่านพระเรวตตะท่านพระอนน์และพระสาวกผู้เป็นเถระที่มีชื่อเสียงรูปอื่นๆสมัยนั้นพระเถระทั้งหลายสั่งสอนพร่ำสอน ภิกษุใหม่ทั้งหลายคือภิกษุผู้เป็นเถระบ า, รร บ, าบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ10บรูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ20รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ30รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ40รูปบ้างฝ่ายภิกษุใหม่เหล่านั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเถระสั่งสอนพร่ำสอนอยู่ ย่อมรู้ชัดธรรมวิเศษอย่างกว้างขวางกว่าที่ตนรู้มาก่อน145สสมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15ิบห้าค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวงในวันปวารณาพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งณที่กลางแจ้งครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่ จึงได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรายินดีปฏิปทานี้เรามีใจยินดีปฏิปทานี้เพราะเหตุที่เธอทั้งหลายในธรรมวินัยนี้จงประร o ความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ตนยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ตนยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ตนยังไม่ทําให้แจ้งให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดเราจาก รออยู่ในกรุงสาวัตถีนี่แหละจนถึงวันครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนอันเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตภิกษุชาวชนบทได้ฟังข่าวว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคจัดทรงรออยู่ในกรุงสาวัตถีนั้นจนถึงวันครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนอันเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตจึงพากันหลั่งไหลมายังกรุงสาวัตถี เพื่อเข้าเฝ้าพระผ ma, ู้มีพระภาคฝ่ายภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นก็พากันสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุใหม่เพิ่มปริมาณมากขึ้นคือภิกษุผู้เป็นเถระบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุสิบรูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ20บรูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ30รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ40รูปบ้าง และภิกษุใหม่เหล่านั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเทระสั่งสอนพร่ำสอนอยู่ย่อมรู้ชัดธรรมวิเศษอย่างกว้างขวางกว่าที่ตนรู้มา ก, ก่อน146ในสมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15้าข้ามคืนดวงจันทร์เต็มดวงอันเป็นวันครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนเป็นเดือนที่มีดอกโกมุต พระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสง์แวดล้อมประทับนั่งนัตที่กลางแจ้งครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่จึงได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้ไม่สนทนากันบริษัทนี้เงียบเสียงสนทนาการดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธิ์ ภิกษุสงบริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกับบริษัทที่ควรแก่ของที่เขานํามาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาทานควรแก่การทําอัญเชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เขาถวายของน้อยแต่มีผลมากและถวายของมากก็ยิ่งมีผลมากขึ้น ภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ชาวโลกอยากจะได้พบเห็นภิกษุนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่แม้คนผู้เอาสเสบียงคล้องบาคควรเดินทางไปเป็นยศเพื่อพบเห็น147ภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นอรหันตขีนาศอยู่จบประมา์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นอนาคามีเพราะสิ้นโอรัมภากิยาสังโยชน์หและเกิดเป็นโอปปาติกะจะปรินิพานในโลกนั้นๆ ไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นสกทาคามีเพราะสิ้นสังโยชน์สามและเพราะทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางจะกลับมายังโลกนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นโสดาบันเพราะสิ้นสังโยชน์สามไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธในวันข้างหน้าในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญสัมมาปทานสี่อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุแ ม, ม้เช<ม>่นน <clapping> ั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรในการเจริญอิทธิบาทสี่อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุเช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอินรี่ห้าอยู่จเจริญพละหอยู่ เจริญโพชฌงเจอยู seven, ม่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญมัสมีองค์8อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญเมตตาอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญกรุณาอยู่ มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญมุติตายอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอุเบกขาอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอสุภาษสัญญาอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอนิจจสัญญาอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายในภิกษุสงฆ์นี้ มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอนาปานสติอยู่อนาปานสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอนาปานสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานสีให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสีที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำโพธิฌงเจตให้บริบูรณ์ โพชฌงเจดที่ภิกษุจเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์48อยปนาปานสติที่ภิกษุจเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสงมากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดี นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอาณาปานาสติ16ขั้น 1. นเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว 2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออก 3. สั้นสาม้ำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าส้ำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออก 4. สี่้ำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าส้ำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกห้า สำเนีกว่าเรากำหนดรู้ปิติหายใจเข้าสำเนีกว่าเรากำหนดรู้ปิติหายใจออก6กสำเนีกว่าเรากำหนดรู้สุขหายใจเข้าสำเนีกว่าเรากำหนดรู้สุขหายใจออก7จ็ดสำเนีกว่าเรากาหนดรู้จิตตะสังขารหายใจเข้าสำเนีกว่าเรากำหนดรู้จิตตะสังขารหายใจออก แปดสำเนียกว่าเราระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับจิตตสังขารหายใจออก9ก้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจออก10บสำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจออก สิบเสำเนียกว่าเราตั <ục> ้งจิตม evet ั <S <S ่นหายใจเข้าสำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจออก12สองำเนียกว่าเราเบื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเราเบื้องจิตหายใจออก13บสาำเนียกว่าเราพิจารณาว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาว่าไม่เที่ยงหายใจออก 14สี่ำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก15บหาสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืน หายใจออกพิกษุทั้งหลายอานาปานสติที่พิกษุเจริญแล้วนี้ทำให้มากแล้วนี้จึงมีผลมากมีอนิสงมาก49อานาปานสติที่พิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้สติปัฐานสีบริบูรณ์ได้ขึ้นหนึ่ง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 หายใจออกสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิ จ, จารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมานัตในโลกได้เรากราวลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้ว่าเป็นกายชนิดหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเพราะเหตุนั้น สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัะในโลกอยู่สสมัยใดภิกษุสาเนียกว่าเรากำหนดรู้ปิติหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปิติหายใจออกสาเนียกว่าเรากำหนดรู้สุขหายใจเข้า สำเนียกว่าเรากําหนดรู้สูขหายใจออกสำเนียกว่าเรากําหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากําหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกสำเนียกว่าเราระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับจิตตสังขารหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายมีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เรากราวการใส่ใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอย่างดีนี้ว่าเป็นเวทนาชนิดหนึ่งในบรรดาวเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัส ในโลกอยู่ 3. ส, สมัยใดภิกษุสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจออกสำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจออกสำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจเข้า สำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจออกสำเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เราไม่บอกอนาปานสติแก่ภิกษุผู้หลงลืมไม่มีสัมปชัญญะ เพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกอยู่ 4. สมัยใดภิกษุสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้า สําเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความใครออกได้หายใจออกสําเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสําเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกสําเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสําเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกสมัยนั้น ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้เธอเห็นการละอภิชาและโทมนัตด้วยปัญญาแล้วย่อมเป็นผู้วางเฉยได้ดีเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกอยู่ ภิกษุทั้งหลายอานาปานาสติที่ภิกษุจเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้จึงทําให้สติปัฏฐาน 4. บริบูรณ์ได้สติปัฏฐานส150สติปัฏฐานสี่ที่ภิกษุจเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําให้โพชิชงเจ็บริบูรณ์คือหนึ่ง สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมานต์ในโลกได้สมัยนั้นภิกษุนั้นมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยใดภิกษุมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพธชงทำที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงสมัยนั้นสติสัมโพชฌงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 2. อภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงการพิจารณาธรรมในธรรม ย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมะวิจยะสัมโพธชงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเลือกเฟ้นธรรมย่อมเป็นอันภิกษุปรารพบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสมโพธชงสมัยนั้นธรรมวิจยะสำโพธชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ ภิกษุนั้นค้นคว้าไตร่ตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยใดภิกษุค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยนั้นวิริยะสัมโพธชงธทมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญวิรยะสัมโพชฌงสมัยนั้นวิวรยะสัมโพชฌงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 4. ส, สมัยใดปิติที่ปราศจากอมิรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วสมัยนั้นปิติสัมโพชฌงธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจ ย่อมเป็นอันภิกษุประรบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปิติสมโพธชงสมัยนั้นปิติสมโพธชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 5. เมื่อภิกษุมีจิตเกิดปิติกายและจิตย่อมสงบสมัยใดภิกษุมีจิตเกิดปิติกายและจิตย่อมสงบสมัยนั้นปัสสติสัมโพธชงทำที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ คือความสงบกายสงบจิตย่อมเป็นอันภิกษุประรบแล้วสมัยนั้นพิกษุชื่อว่าเจริญปัสสติสมโพธชงสมัยนั้นปัสสติสำโพธชงของพิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่เมื่อพิกษุมีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยใดเมื่อพิกษุมีกายสงบมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่น สมัยนั้นสมาธิสัมพุทธชงทำที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งใจมั่นเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมพุทธชงสมัยนั้นสมาธิสัมพุทธชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่7ภิกษุนั้นเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดี สมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสมโพธชงทำที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความมีใจเป็นกลางย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญอุเบกขาสมโพธชงสมัยนั้นอุเบกขาสมโพธชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่15เอด ภิกษุทั้งหลายหนึ่งสมัยใดภิก ษ, กษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้สมัยนั้นภิกษุนั้นมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยใดภิกษุมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืม สมัยนั้นสติสัมโพชฌงย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงสมัยนั้นสติสัมโพชฌงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 2. ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา สมัยใดภิกษุผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพธจงย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสัมโพธจงสมัยนั้นธรรมวิจยะสมโพธจงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 3. ภิกษุนั้นค้นคว้าไตรตรอง ถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาเป็นอันปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วสมัยใดภิกษุย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยนั้นวิริยะสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารบแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญวิริยะสัมโพชง สมัยนั้นวิริยะสำโพธชงของพิษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 4. ปิติอันปราศจากอมิรเกิดขึ้นแก่พิษุผู้ประรบความเพียรแล้วสมัยใดปิติอันปราศจากอมิรเกิดขึ้นแก่พิษุผู้ป ร, ประรบความเพียรแล้ว ส, ส, สมัยนั้นปิติสำโพธชงย่อมเป็นอันภิษุประรบแล้วสมัยนั้นภิสุชื่อว่าเจริญปิติสำโพธชง สมัยนั้นปิติสัโพธชงของพิสุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 5. เมื่อพิสุมีจิตเกิดปิติกายและจิตย่อมสงบสมัยใดยเมื่อพิสุมีจิตเกิดปิติกายและจิตย่อมสงบสมัยนั้นปสัสสติสำโพธชงย่อมเป็นอันพิสุปรารพแล้วสมัยนั้นภิษุชื่อว่าเจริญปสัสสธิสำโพธชง สมัยนั้นปัสสติสัมโพชฌงของพิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 6. เมื่อพิกษุผู้มีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยใดเมื่อพิกษุผู้มีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงย่อมเป็นอันพิกษุปรารบแล้ว สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพธชงสมัยนั้นสมาธิสัมโพธชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 7. ภิกษุนั้นเป็นผู้วางเฉยจิตตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้อย่างดีสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้อย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพธชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารพแล้วสมัยนั้นภิกษุ ชื่อว่าเจริญอุเบกขาสัมโพธชงสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพธชงภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานสที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้จึงทําให้โพชชงเจตบริบูรณ์โพธชงเจตร้อห้โพธชงเจตที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้วิจาและวิมุตตบริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกความสงัดอาศัยเวิราคะความใครยกำหนัดอาศัยนิโรธความดับอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 2. เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌง สเจริญวิริยะสัมโพธิชน์สี่เจริญปิติสัมโพธิชน์ห้าเจริญปัสสติสัมโพธิชน์หกเจริญสมาธิสัมโพธิชน์เจ็เจริญอุเบกขาสัมโพธิชน์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายโพชิชน์เจที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชาและวิมุตบริบูรณ์พระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอนาปานสติสูตรที่8จบ